เราก็ได้ส่วนประชิมะโอวาสก็คือโอวาสครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเนาะท่านก็ย้ำเรื่องความไม่ประมาทคือท่านให้เราพิจนาดูสังขารนะสังขารนะในที่นี้คือร่างกายร่างกายของเราเองนะมัน มันเรียกว่ามันค่อยๆเสื่อมไปเนาะค่อยๆเสื่อมไปถ้าเราดูร่างกายของเราเองก็จะเห็นว่าร่างกายมันก็มีความเสื่อมไปตามสภาพนะมีความแก่มีความเจ็บสุดท้ายก็ต้องมีความตายนี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เองมันก็ น้อยลงไปทุกทีทุกทีนะนะน้อยลงไปทุกวันนะนี่คือถ้าเราเห็นว่าเอออันนี้คือความไม่ประมาทนะในชีวิตของเราเองความไม่ประมาทในการที่เราจะสามารถอยู่ในอัตภาพนี้ได้นะบางทีร่างกายมันอาจจะยังไม่ได้เสื่อมมากนะแต่บางทีมันก็อาจจะมีอุบัติเหตุหรือมีภัยบางอย่างที่มันก็ อาจจะพลากชีวิตไปได้ก่อ น, นเพราะว่าการตายนะการตายของคนเนี่ยมันมีมีเหตุนะหลายอย่างบางคนก็ไปนะด้วยตามอายุนะบางคนก็ไปนะด้วยนะอุบัติเหตุก่อนนะมันก็มีสิ่งที่มันก็เป็นไปได้นะถ้าเราพิจารณาดูเช่นนี้แล้วก็ เราจะได้ใช้ชีวิตของเราที่เหลือเนี่ยนะด้วยความไม่ประมาทก็คือคือการที่เราพยายามทำสิ่งที่ดีให้ดีที่สุดนะแล้วก็ไม่ประมาทนะอะไรที่ควรที่จะทำนะก็เด่งนะเด่งที่จะทำนะเด่งที่จะทาเหตุให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ไปต้องไปคาดหวังผลนะว่ามันจะต้อง ได้ผลเมื่อไร่เพราะบางทีถ้าเราคาดหวางผลอยากจะแต่อยากจะทางานให้มันเสร็จอยากจะทําให้มันจบจิตมันจะทุกข์มากเลยนะท่านสอนให้เราทําความไม่ประมาทคือสอนให้เราทําเหตุนะทําเหตุให้ถึงพร้อมทำเหตุให้ไปเรื่อยๆนะแต่ผลมันก็ย่อมเกิดขึ้นตามเหตุที่เราทํานั่นแหละนะ ไม่ใช่เพราะว่าเราหวังผลแต่เราไม่ทำเหตุผลมันก็ย่อมไม่เกิดแน่นอนเนี่ยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านรวมถึงเรียกว่าเป็นเป็นรอยเท้าของช้างนะที่ที่รอยเท้าสัตว์ทุกชนิดก็รวมลงในรอยเท้าของช้างทำทั้งหลายนะถ้าจะว่าไปโดยสรุปแล้วพระพุทธเจ้าก็มาสรุปตอน คำพูดสุดท้ายก่อนที่จะไปรินทรพานเนี่ยคือคือความไม่ประมาทนะั้นชีวิตพวกเราก็ต้องดำรงอยู่ได้ความไม่ประมาทนี่แหละนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะก็ให้เราพิจารณาดูนะว่าเราประมาทในเรื่องไหนบ้างนะอะไรที่เราควรจะต้องแก้ไขตัวเองบ้าง ส่วใหญ่คนส่วใหญ่ก็จะประมาทนี่แหละประมาทก็เราเรายังสุขภาพยังยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ประมาทในในร่างกายนะในร่างกายนี้ว่ามันจะอยู่ได้นานนะบางคนก็ประมาทในวัยนะว่าเรายังยังหนุ่มยังสาวยังไม่แก่มากนะบางคนก็ประมาท ประมาทในที่เรียกว่าคิดว่าเรายังไม่ตายง่ายๆเนาะคิดว่ายังมีชีวิตยอยู่อีกอีกนานนะทำเมื่อไรก็ได้หรือบางคนก็ประมาทในธรรมนะประมาทในธรรมคือธรรมที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจมันก็มีระดับหนึ่งนะแต่ก็ต้องคนไา้หรือว่าต้องพัฒนานะให้ให้เกิด นะสติปัญญาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้าท่านจะบอกว่านะให้เรารู้จักพอใจหรือว่ารู้จักพอเพียงในวัตถุสิ่งของที่เรามีนะแต่อย่าพึงพอใจในธรรมนะที่เรามีในตอนนี้คาว่าไม่พึงพอใจไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบทุกร้อนแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่า ให้เราเรียกว่าไม่ใช่สันโดษในธรรมนะนะเช่นเราเป็นครรวาตที่ดีเราเป็นพระที่ดีระดับหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วมันก็ดีแล้วอยู่แหละแต่มันก็ต้องทําให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนระเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีบุคคลมีสองประเภทนเสกขับุคคลกับอศาศัยขับุคคล เศคาุคคลคือบุคคลที่ต้องศึกษาต้องพัฒนาขนะึ้นไปเรื่อยนะเศขาุคคลนี้ก็ตั้งแต่ปุถุชนจนทั้งถึงพระอนาคามีนั่นแหละคือต้องเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษานะเป็นผู้ที่ยังต้องพัฒนานะจิตใจนะไปเรื่อยนะนะอย่าได้ประมาทนะนะอย่าได้ท้อแท้ท้อถอยนะนะ ก็มีแต่เฉพาะอาเซฆาบุคคลก็คือพระอรหันต์เท่านั้นที่เรียกว่าจบกิจของการศึกษาแต่จริงท่านเหล่านั้นแม้จบกิจการศึกษาแล้วท่านก็ยังกระตือร้อนนอกในการเผยแพร่ศา ส, สนาหรือว่าช่วยคนอื่นต่อเราเองก็ต้องมาพิจารณาดูตัวเราว่าเราก็เป็ น, นเสฆะบุ ค, คคลนะคือบุคคลที่ต้อง ยังพึงต้องศึกษานะแต่การศึกษาเนี่ยมันก็เราก็ต้องมาตีกอกหรือว่าเราก็ต้องมาพิจนารณาดูการศึกษานะ mm. การศึกษาในวิชาทางโลกเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะความรู้นะสิ่งที่อยากจะรู้เนี่ยมันมีเยอะนะแต่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนใบไม้ในป่านะกับใบไม้ในกํามือ ใบ ไ, ไม้ในป่ามันเยอะมากนะจะบอกว่ามีกี่ใบก็นับไม่ถ้วนนะเหมือนวิชาความรู้ทางโลกนะวิชาในอดีตที่บรรพบุรุษสะสมเรียนรู้กันมาเนี่ยก็เยอะมากวิชาในปัจจุบันแล้วก็วิชาที่อนาคตเขาสนใจนะเช่นเทคโนโลยีเช่นอะไรเรื่อง นอกโลกไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้หรือว่ากำลังอยากจะพัฒนาที่จะรู้นี่ก็มีเยอะเรียกว่าพวกเราอยู่ในโลกตอนนี้เนาะอดีตนี่ก็สะสมความรู้มาเยอะยศึกษาเข้าไปเท่าไหร่ก็เยอะมากนอนาคต เ, เรื่องราวความรู้ก็อีกเยอะมากเหมือนกั น, นอันนั้นก็เป็นวิชาที่ที่โลกเขาสนใจเนาะ แต่มันมีวิชาที่พระเจ้าสมบอกว่าเป็นวิชาที่สำคัญกว่านะนะเป็นวิชาทีนะ่มาเรียนรู้เรื่องของความทุกขนะ์แล้วก็มานะมาทาเหตุเพื่อดับความทุกข์นี่แหละนะอันนี้คือเป็นวิชาที่สำคัญนะนะเราควรมาเรียนรู้ศึกษาวิชาตรงนี้นะวิชาความรู้ข้างนอกโลกก็อาจจะรู้เพื่อ การดำรงชีวิตยอยู่ได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปนขนควายตามโลกทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่งั้นเนาะเรียกว่าเสียเวลาเนิ่นช้ามันมีเวลาของเราก็มีจำกัดนะเราเอาเวลาไปศึกษาตัวนั้นมากมันก็มีเวลาในการศึกษาตัวเองน้อยลงไป น, ะนอกจากบุคคลที่ฉล า, าดนะ ศึกษาภายนอกด้วยศึกษาภายในด้วยนะแต่บางทีวิชาข้างนอกบางทีก็ถ้าเราศึกษาไม่ดีมันก็จะกลายเป็นเป็นมานะเป็นทิฏฐินะมานะคือการถือตัวถือตนนะเรียนสูงรู้มากก็ถือตัวถือตนได้มากแต่อันนี้คือถ้าเราไม่มีการฝึกใจนะอืหรือเป็นทิฏฐินะก็คือการยึด ความคิดความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้น่ะว่าถูกว่าควรเลยะแต่วิชาทางธรรมเนี่ยเรียนรู้เพื่อละน่ะละตัวตนละอัตตาละมานะละทิฐินะ่ะเป็นวิชาที่มันเหมือนเพื่อถ่ายถอนความเห็นผิดเห็นผิดว่าอะไรเห็นผิดว่าจิตนี่ว่าจิตเป็นเราว่าร่างกายเป็นเราเนี่ะ วิชาพระพุทธเจ้าเนี่คือเรียนเพื่อถ่ายถอนความเห็นผิดนะให้มันกลายเป็นความเห็นถูกแค่นี้นั่เองนะแต่มันก็ต้องเรียนรู้หรือว่าศึกษาดูนะมีสติปัญญาดูไปเรื่อยเจนทั่งเห็นซ้ำๆเห็นไม่ปล่อยเห็นรู้ร่างกายเนี่ยแหล ะ, ะร่างกายเนี่ยอย่างที่เราพิจารณาสังคารคือร่างกายจิตใจเนี่ยมันไม่เที่ยงแบบไหนมันเป็นทุกข์แบบไหน มันไม่ใช่ตัวตนแบบไหนเนี่ยเราต้องดูนะอาศัยสติปัญญานเนี่ยค่อยๆดูทุกวันดูทุกวันดูทุกวันนะย้ำไปเรื่อยๆนะจิตมันเรียกว่าจิตมันติดมันเหนียวแน่นเนาะกับความเห็นผิดหรือว่ามันมีความเรียกว่าเข้าใจผิดเยอะมากนะเราก็ต้องมาถ่ายทอนผิดเนี่ยค่อยๆ เห็นไปบ่อยเห็นไปบ่อยนะเหมือนเราทํางานนะบางทีเราจะให้งานมาันสาเร็จภายในวันสองวันนี่นไม่ได้นะแต่เราก็ต้องทํำบ่อยๆทําบ่อยทํานบ่อยทํานบ่อยนะเป็นทั้งงานมันเสร็จนะการการรู้การเห็นสิ่งเดิมๆซ้ําๆนี่ก็เหมือนกันนะเรารู้ลงมาที่กายนะเช่นบอกว่าเรามีสติกับกายเคลื่อนไหวมีสติกับการทํา ทุกสิ่งทุกอย่างนะก็คือเป็นเครื่องให้เรากลับมานะกลับมารู้จักนะร่างกายนี้เนะี่ยมาเป็นแบบไหนเนะมันไม่ใช่แค่รู้ว่ายืนเดินนั่งนอนคูยเหยียดเคลื่อนไหวเท่านั้นนะนะอนนั้นเป็นการแค่เป็นอุบายให้จิตมันมีเครื่องอยู่แต่การที่เรารู้กายบ่อยๆเนะี่ยเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงของกาย มันไม่เที่ยงเป็นแบบนี้เนาะน่ะมันเป็นทุกข์แบบนี้เนาะน่ะร่างกายเราจะหาความสุขหาสิ่งดีหาสิ่งเที่ยงมันไม่ได้เนาะมันมีแต่ทุกข์ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเนาะมันมีแต่ความไม่เที่ยงที่ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ่ะบางอย่างก็อาจจะนานหน่อยบางอย่างก็แป๊บเดียวก็เปลี่ยนนะมันมีแต่สิ่งที่เราไม่สามารถ จะยึดจะถือมันได้จริงๆริงเนาะนะมันเป็นการยึดถือพึ่งพาชั่วคราวนะไม่ใช่ว่าจริงๆริงน่ะไม่ใช่จริงจังอย่างร่างกายนี้เราก็อาศัยเขาได้น่ะไม่เกินร้อยปีเขาก็ต้องเขาก็ต้องไปแล้วนะกุติสาราก็อาจอาศัยได้นานหน่อยน่ะถ้ามันเป็นเหล็กนะแต่บางอย่างมันก็อาศัยได้สั้นๆนันน่ะอันนี้คือ ถ้าเรามาพิจารณาดูนะดูสังขารดูร่างกายเราจะเห็นความไม่เที่ยงเราจะเห็นความเป็นทุกข์เราจะเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะบังคับบัญชาไม่ได้นะเราก็ดูลงไปเนี่ยในร่างกายก็เป็นแบบนี้นะในจิตใจเองยิ่งยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วนะจิตใจนี่ตื่นขึ้นมาเป็นแบบไหนนะ ทำวัดเป็นแบบไหนฟังทำเป็นแบบไหนบางทีจิตมันเปลี่ยนนะบางทีสวดมนต์ทำวัดอยู่ใจคิดนั่นคิดนี่อ่ะมันไม่เที่ยงเนะอันนี้คือมันสอนความไม่เที่ยงนะไม่ใช่ว่าต้องไปตำคาญมันนะมันแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นนะเดินบินธบารก็เหมือนกันนะมันก็แสดงความไม่เที่ยงนะทั้งความอย่างร่างกายเหยียบหินลงไปมันก็เจ็บ ยกขึ้นมามันก็หายเจ็บแล้วเนะนี่ยเดินไปนะตาเห็นหม า, ารู้สึกแบบไหนตาเห็นต้นไม้รู้สึกแบบไห น, นตอนโยมใส่บาตรรู้สึกแบบไหนบางทีจิตมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะนนเห็นหมาอาจจะเกิดความารู้สึกเฉยเก็ได้บางคนหรือบางคนอาจจะรู้สึกวิตกกังบลันหรือบางค น, นาอาจจะรู้สึก ไม่ชอบนะสมมติอันนี้คือเราก็ไม่ได้ห้ามความรู้สึกแบบนั้นแต่ให้เรารู้ทันนะรู้ทันความรู้สึกแบบนั้นเมื่อเรารู้เฉยๆเนี่ยความรู้สึกนั้นมันก็จะตกลงไปนะแต่ถ้าเราไม่รู้เฉยๆมันจะเกิดการปรุงแต่งนะมันจะเกิดการคิดนะสารพัดตามมาอันนี้คือถ้าเรามีสติคอยเห็นนะ เคยคอยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นนี่ยมันจะทําให้เรียกว่าหยุดการปรุงแต่งเนาะหยุดการปรุงแต่งหยุดการปรุงแต่งเนี่ยคือเรียกว่าวิาสังขารนะสังขารคือการปรุงแต่งวิสังขารจะหยุดนะหยุดการปรุงแต่งเนี่ยเราก็ทําเหตุแบบนี้แหละดูนะดูให้เห็นนะตามความเป็นจริงน่ เมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องของเรื่องของจิตนะที่เขาไปจัดการของเขาเองนะะแต่ก็ต้องดูด้วยใจเป็นกลางนะดูด้วยความตั้งมั่นของจิตนะถ้าใจเราไม่เป็นกลางในการดูมันจะเผลอหรือว่าไหลไปไปพอใจไปไม่พอใจนะบางทีเราไม่ได้ดูที่เฉยๆหรอกเราว่าเราดูนะ แต่จริงเราไม่ดูเราดูแล้วก็ไปชอบไปชังนะเหมือนกับคนทั่วไปดูหนังดูละครก็จะมีอารมณ์ร่วมนะในหนังในละครในข่าวในสิ่งที่ดูไปด้วยนะอันนั้นไม่ใช่เป็นผู้ดูนะอันนั้นเป็นผู้ที่ถูกถูกหนังถูกละครถูกข่าวเขาเขาลากจูงไปนให้ดีใจให้เสียใจนะ หรือบางคนดูกีฬาก็ไม่ใช่ดูกีฬาจริงดูแล้วก็เชียร์เนะี่ยเชียร์แล้วก็รุนนะ่ะฝ่ายที่ชอบอ่านฝะ่ายที่เชียร์ถ้าชนะก็ดีใจฝ่ายที่เชียร์ถ้าแพ้ก็เสียใจอันนั้นเรียกว่าใจเราไม่เป็นกลางเนาะนะการกลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราเองก็เหมือนกันนะอนะต้้งดูที่ใจเป็นกลางเนะ่ตอนเนี้ยมันจะยากตัว น, นี้แหละเพราะว่าอืมนะ มันเป็นกายเป็นใจที่มันเกี่ยวข้องตลอดเวลาเนาะมันส่วนใหญ่กิเลสมันก็จะอยากจะให้มันดีนะอยากจะให้มันสุขอยากจะให้มันสบายนะอยากจะให้มันบังคับบัญชาได้อันนี้คือกิเลสมันมันหลอกล่อให้เราเชื่อให้เราคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูด้วยใจเป็นกลางเนี่ยมันจะดูเหมือนเหมือนดูคนอื่น เห็นกายเห็นกายมันเจ็บเห็นกายมันทุกข์เห็นกายมันไม่สบายถ้าเราดูด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยมันก็อมืมันก็เป็นเช่นนั้นของมันเนาะนะมันก็ดูแลรักษาเสริมสภาพไปนะไม่ยึดไม่ยึดไม่ถือนะแต่รักษาแต่ดูแลอยู่นะเหมือนใช้ประโยชน์นะแต่ตอนที่มันจะเสื่อมมันจะพังเราก็วางใจได้นะ ว่าวางใจได้ไม่ใช่ว่าต้องรอมันแก่มันตายเท่า น, น, นะถึงถึงวางใจนะมันก็คือวางใจทุกขณะนี่แหละนะขณะที่ปวดขาขณะที่ไม่สบายกายก็ก็วางใจตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะเราเห็นความไม่เที่ยงของมันเราเห็นความเป็นทุกข์ของมันเราเห็นความเสื่อมสภาพไปบังคับบัญชาไม่ได้ของมันเนี่ยเราก็เออดูไปดูไป จิตใจก็เหมือนกันยิ่งยิ่งเปลี่ยนเร็วมากนยก็ดูดูด้วยความเป็นกลาง ด, ด้วยความตั้งมั่นเนาะนดูเหมือนไม่ดูแล้วก็ดูรู้ทันใจของเราด้วยนะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็ส่วนหนึ่งแล้วก็รู้ทันว่าดูแล้วมันมันเผลอไปชอบเผลอไปไม่ชอบหรือเปล่าเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง ถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันจะกลับมามีสตินะแต่การดูนี่ไม่ใช่เป็นการไปจ้องหรือว่าไปพยายามที่จะแบบเอารายละเอียดมันมากนะถ้าเราไปพยายามที่จะดูมันมากเกินไปมันจะมันจะทําให้เราถลาลงไปดูเนาะจิตมันจะคล้ายๆมันมันมีตัณหาตัณหาที่อยากจะรู้อยากจะดูเนี่ยมันมันก็ทําให้เราใจไม่เป็นกลางเท่าไหร่ ต้องดูแบบแอบดูนะเหมือนดูเล่นๆ น, นะเหมือนเราคอยสังเกตคนอื่นเนะี่ยอย่าไปจ้องเขาดูถ้าเราไปจ้องดูเขาเนี่ยเขาจะเกง่งเขาจ ะ, สะแสดงแบบไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขานะเราไปแอบจ้องเด็กเขาเล่นเนี่ยบางทีเด็กเขาก็ เ, เกง่งละนะหรือบางคนนะ สมมติเป็นพระไปจ้องดูโยมเขาเดินเขาทำนั่นทำนี่บางทีเขาก็เกรงนะการดูดูร่างกายดูจิตใจก็เหมือนกันนะต้องแบบดูแบบแอบดูนะเป็นคนสังเกตนะอย่าไปจ้องนะถ้าจ้องเมื่อไหร่นะมันจะผิดธรรมชาตินะถ้าจ้องเมื่อไหร่เราจะเห็นของไม่จริงนะมันจะเป็นการสร้างภาพนะต้องแบบแอบแอบดูนะค่อยๆดูไปนะ แต่ดูไปเรื่อยมันจะเกิดความเข้าใจเองอันนี้แหละคือมันจะเป็นเหตุนะมันจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราเรียกว่าถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะเป็นเหตุที่ทำให้เรานะเรียกว่าจิตใจมันก็จะไม่ไหลไปกับอารมณ์นะไม่ไหลไปการปรุงแต่งนะเราก็ทำเหตุพวกนี้แหละเราจะทา เรียกว่าความไม่ประมาทจริงๆอีกอย่างก็คือเราทำความเพียรนี่แหละนะคือเราทำเหตุนะเรามีวิิยะทำนะเรามีความเพียรเพียรในการตามรู้ตามดูร่างกายจิตใจนี่แหละคือคือความไม่ประมาทนะที่สำคัญเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราตามรู้ตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ย ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วนะนะบางทีความไม่ประมาทเนี่ยมันดูภายนอกมันดูมันดูไม่ค่อยออกนะบางทนะีบางคนทำงานทำการแต่จิตใจเขาตั้งมั่นในศิลในธรรมนะมีสติมีปัญญานะอันนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะบางคนอาจจะเดินจงกรมอาจจะสวดมนตนะ์อาจจะนั่งสมาธิ แต่ถ้าจิตใจไม่อยู่กับสิ่งที่ทํามันก็ชื่อว่าประมาณเหมือนกันนั้นความประมาทที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ที่การวางใจนะหรือว่าอยู่ที่ความขยันวันเพียนในจิตใจนะเพียอะไรเพียเพียละอกุศลนะเพียละกิเลสเพียเจริญกุศลนะแล้วก็เพียนในการรู้ แบบไม่ยึดนะไม่ยึดมั่นคือมั่นเ น, น, นี่ยนีคือความเพียร น, นะที่ถ้าเราทำอยู่เสมอเนี่ยที่ว่าเราไม่ประมาทเนาะก็ถ้าเรามีโอกาสนะนะในชีวิตนะเราก็ควรที่จะทําความเพียรของเราแบบนี้แหละด้วยความไม่ประมาทนะแต่ทําไปแล้วมันจะได้มากน้อยขนาดไหนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนา ะ, นะถ้าเราไป คาดวังไปคาดคันมันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์ใจน ะ, ะบางทีผู้ที่ประพฤติทธธรรมผู้ที่ปฏิบัติธรรมบางทีก็ความทุกข์ข้างนอกบางทีอาจจะไม่ได้เอาใจใส่มากแต่บางทีก็จะทุกข์ร้อนจิตใจที่เมื่อไรเราจะได้ที่พึ่งเมื่อไรเราจะน่ยพ้นจากความทุกข์มันก็ยิ่งกลายเป็นความ ร้อนนะในจิตใจนะแต่ถ้าเราทำเหตุทุกวันทำเหตุทุกวันนะพอใจทุกวันพอใจทุกวันนะแต่ก็ไม่ประมาททุกวันเหมือนกันนะคำว่าพอใจก็คือนะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะแต่ไม่ประมาทคือพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะไม่ไม่ได้พอใจเพียงแค่เรามีสินดีแล้วนะนะพอใจแค่สินก็ไม่ใช่นะ ก็ต้องพัฒนาให้เกิดสมาธิเกิดปัญญานะขึ้นไปเรื่อยเรื่อยด้วยอันนี้คือพระเจ้าท่านท่านฝากพวกเราไวนะ้เนาะแม้สองพันหร้อยปีแล้วก็ก็เป็นยังเป็นคำ ส, ำสอนที่ก็ยังใช้ได้นะอยู่ทุกขณะก็นะะอยู่ที่ว่าเราควรนะเอามาพิจารณาเอามาใช้นะให้เป็นประจำทุกวันนะเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ เดินตามรอยของนพระพุทธเจ้าเนา ะ, ะก็ฝากไว้นะในเช้านี้